สโพดชังข้สูตรว่าด้วยการเจริญโพดชงเก้7ริภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงมากอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงมาก คือภิสุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสติสัมโพธชงที่สหรคดด้วยอาณาปานสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะสองเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงที่สหรคดด้วยอาณาปานสติเจ็ จเจริญอุเบกขาสำโพธชงที่สหรคด้วยอาณาปานสติอาณาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุจเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสง์มากโพธชังคสูตรที่สองจบ